จริตมัญญาอันใดที่สตรีชอบทำสิ่งนั้นไม่มีในตัวชโลธรารวมความว่าชโลทารามีคุณสมบัติแห่งกลสุสตรีอยู่เรียบพร้อมชาลณีเป็นที่ต้องตาถูกใจของศีครินเป็นนักหนาพอๆกับอโศกนิยมชมชื่นต่อชโลธราเป็นอย่างมากฝ่ายสตรีทั้งสองดูเหมือนจะมีความโน้มเอียงมาทางอาโศกมากอยู่